พากโศัพสนฝากโทรศัพท์แสดงเข้าไปช่วยงานที่วัดแล้วก็อย่างที่เมื่อเช้าที่โยมประกาศก็คือไม่มีการสิ่เหล้าสุบุรีก็ถือว่าเป็นทุนเดิมที่ดีแล้วแล้วก็ได้ถามหน้าว่าคิดยังไงถึงได้มาบวชโดยที่แม่นั้นยังไม่รู้เลยวันที่หน้าบอกว่าจะบวช เพราะว่าวันที่เขาไปฝากตอวที่วัดยมแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองจะบวชซึ่งปกติแล้วนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการที่ผู้ชายเราชชบ・・นับว่าโชคดีเกิดมาเป็นผู้ชายเพราะว่าใน พ, พ้อที่เขศาสนานั้นสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่จะบวชได้นั้นต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นผู้ชายแล้วก็มีความสม บ, บูรณ์คนพิการก็ยังไม่ให้บวชเมื่อเรามีความโชคดีเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วก็ได้เข้ามาบวชก็ถือว่าเป็นโชคดีสิริมงคลแก่ครอบครัวเพราะว่าในการบวชนั้นผู้ที่จะได้รับบุญ ก็คือพ่อแม่คือจะได้รับโดยประการโดยอัตโนมัติในการที่เรามาบวชใอการที่เรามาในวันนี้เขาจะเรียกเราว่าหน้าเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นสมัยพุทธกาลอย่างที่บอกก็คือพระพุทธเจ้า มันอยากเลยว่าเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถบวชได้หน้าก็คืองูก็คืองูที่เกลีอดซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบวชได้รพระเจ้าไม่ให้บวชแต่ด้วยความศรัทธาด้วยความที่มาคนั้นอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เลยําแรงแปลงตัวเป็นมนุษย์ไปขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้สาวกาบวชให้ พอบวดเข้าไปก็มีอยู่วันหนึ่งอหน้าที่แปลเป็นมนุษย์ก็ได้จําวัดอยู่กับพระอีกรอบหนึะเพระก็ได้ออกไปส่วนมนฑลทำวัดหน้าก็เผลอหลับไปหลับไปคราวนี้แปลงกายกลับขืนเป็นงูตัวใหญ่พอระกลับเข้ามาเห็นก็ตกใจเรียกพระสั่งเข้ามาดูมากมาว่ามีงูตัวใหญ่นอนอยู่ข้างในในวิหารแห่ง น, นั้น ก็เลยรวมกันแล้วก็ไปกราบสู่พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทราบว่าที่แพ้ก็หิวมาจําแรงแปลงกายมาบวชก็เลยสั่งให้ฝึกไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นบรรัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความอะไรอาวรนั้นนาก็ได้ขอว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีผู้ที่จะมาบวชก็ให้ก่อนที่จะบวชเนี่ย ก็ให้เรียกว่าหน้าถ้าจอเป็นการยแสดงถึงว่าหน้านั้นเป็นผู้ที่ตั้งใจพร้อมแล้วที่เราจะมาประพฤติและปฏิบัติเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนเราในวันนี้วันนี้เรามีความพร้อมแล้วที่จะเข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้เราก็ยังเป็นลูกของแม่ของพ่อของเราอยู่แต่เมื่อ เราเข้าไปบวชแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าบวชแล้วก็มีการกล่าวบวชนักติก็คือออกมาเป็นพระหลังจากออกจากบวชเราก็ไม่ใช่ลูกของพ่อกับแม่เราแล้วเราก็จะกลายเป็นลูกของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าได้บอกว่าอสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเป็นการสมมุติ เราสมมุติให้คนเป็นพระก็เรียกว่าสมมุติสิสออย่างทุกวันนี้พระที่เราเห็นใส่ห่มเหลืองกันเนี่ยก็คือสมมุติ ส, สมมติสอมหาตมาก็โชคดีได้ไปบวชอยู่ที่วัดเขาอิติสุขโตเป็นลูกศิษย์ของพ่อปีชาได้รับสังธรรมะม่งมายหลวงพ่อก็ได้เคยสอนว่าพระในปัจจุบันเนี่ยวงเล็ก สมมุติสิงห์ก็คือมีเยอะแต่พระในปัจจุบันเนี่ยวงเล็กพระอริยสงฆ์มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาสมมุติให้เรามาเป็นพระเนี่ยเราก็คือคนทั่วไปเนี่ยชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถดูออกได้เลยว่าไอ้พระที่ห่มจีวรห่มเหลืองเนี่ยเป็นสมมุติสงหรือเป็น อริยสง์อริยเจ้าอริยสง์ก็คือพระสุปฏิสันโนนั่นเองก็คือเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราบวชเข้าไปเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่บอกกันแล้วว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาอย่างพระก็สมมุติเขาก็เรียกกันว่าพระจริงๆเราก็เป็นคนตั้งแต่เกิดมาแล้วเขาก็สมมุติว่า เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายซึ่งแท้จริงแล้วทุกคนก็คือคนแต่ด้วยธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาว่าเกิดมามีอวัยวะแบบนี้เป็นผู้ชายอาวัยวะแบบนี้เป็นผู้หญิงเขาก็เลยสมมุติเรียกกันว่าผู้ชายและผู้หญิงพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีเพิ่มสมมติเข้ามาอีกเป็นเด็กหญิงเด็กชายโตขึ้นมาอีกก็สมมุติเข้ามาอีกเป็นนายเป็นนางสาวเป็นนาง ซึ่งแท้จริงก็คือคนนั่นเองอย่างพระก็คือคนนั่นเองแต่เขาสมมุติแล้วว่าให้มาเป็นพระทุกคนก็จะเรียกว่าพระเมื่อเราออกมาจากโบสซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอ้ากการที่สมมุติเรียกว่าพระเนี่ยคนทั่วไปในปัจจุบันนี้เนี่ยจะคิดว่าพระที่บวชใหม่นั้นออกมาจากโบสทุกลูกต้องคือพระอรหันต์ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ได้บอกไปแล้วเราก็คือคนเหมือนกันแต่สมมุติมาเป็นพระซึ่งในการเป็นพระนั้นเราต้องรักษากายสำรวมใจสารวมวาจานั่เองเพราะนั้นการที่เราจะทำให้เป็นพระที่ดีเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วบวชออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีในการรักษาศีลในการ ทำวัดส่วนมนต์หรือทำตัวให้เป็นพระที่ดีนั่นเองอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้คนจะคิดว่าพระขอกมาจากบบทต้องเป็นพระาราห์แต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกคนที่มาบวชถ้าเราเนี่ยบวชเนี่ยหงหน้าส้มโอเนี่ยบวชเพราะตั้งใจบวชถูกไหมอ่าพอเราตั้งใจบวชเนี่ย แต่ว่าไม่ไม่ได้มีใครมาบังคับเราเอ่อพอไม่ได้มีใครบังคับเราเนี่ยก็คือจิตใต้สังกัดเราต้องการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันก็มีหลายจนพวกคนที่มาบวชเนี่ยอย่างตัวอาตมาเองเนี่ยในสมัยก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าการที่เราบวชเข้ามาเป็นพระเนี่ยแก่นแท้ของมันเนี่ยคืออะไรเราก็จะเหมือน มีอยู่ไม่กี่ประเภทที่บวชก็คือหนึ่งเกิดเป็นผู้ชายบวชเมื่ออายุครบยี่สิบก็คือมาบวชอีกประเภทหนึ่งดวงสวยดวงไม่ดีแล้วมาบวช ด, ดีกว่าเผื่อออกมาดวงนจะด้ดีบ้างในประเภทที่สามไม่มีอะไรจะทําหางานทําไม่ได้บวชเข้ามาหากินในข้าพระเหลืองดีกว่าเรื่องนะี้ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายชนิด เขาก็เหมารวมกันหมดก็คือทุกคนที่หลวชเข้ามาก็คือลูกเขาเด็เจ้าแต่ว่าพอเขาทําผิดเนี่ยเขาก็เหมารวมอย่างเช่นตามข่าวที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่าเราพระทําผิดเขาก็เหมารวมเราเกิดเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะโดนไปด้วยถูกไหมเหมือนกับว่าพ่อแม่มีลูกเนี่ยมีลูกอยู่สองสามคนเลี้ยงลูกออกมาเนี่ยมันมีคนนึง นันไปทําความชั่วความเลวพอาะเาด่าเนี่ยเขาด่าทาั้งครอบครัวเลยบอกไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่เมื่อมึงเป็นแบบนี้พี่น้องมึงก็ต้องเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกันเราก็ต้องทําใจอย่างเดียวทำใจรับมันว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เราทําดีของเราไปก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่บวชเข้ามา เราก็ต้องมีการศึกษาพระธรร ม, มวินัยเพราะว่าอา น, นิสงส์ของการเป็นพระเนี่ยมันจะสูงมากอย่างเรามีการทำวัดส่วนมน์เจริญภาวนาเราก็จะได้บุญเยอะเพราะว่าในพระไตรปิฎกในบรรยัติไว้ว่าการที่เราทําสมาธิเจริญภาวนากรรมฐานเนี่ยจะเป็นบุญที่สูงที่สุด เหมือนกว่าเราเป็นคารวาสทั่วไปเมื่อเรานั่งสมาธิเกิดบุญขึ้นมาเนี่ยหนึ่งแต่พอเราเป็นพระเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอาจจะสามเท่าสี่เท่าหมายถึงว่าเขานั่งปฏิบัติทำขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งอ่ไม่ใช่เขานั่งสามวันอาจจะเท่ากับเรานั่งสมาธิหรือทำความดีเนี่ยวันเดียวเพราะอันนี้ส่งใน ท่เหลือและอันนี้สองในสีที่สูงกว่าเช่นเดียวกันความชั่วก็เหมือนกันคนอื่นเขาทําชั่วทั้งหนึ่ง อ, อันนี้สองในความทําชั่วก็คือกรรมอสมมุติเขาทํากรรมเลวกรรมชั่วเนี่ยแต่เวลาเป็นพระทํากรรมเลวกรรมชั่วก็คือจะสามเท่าทวีคูณก็เหมือนคือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังในเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ทำตัวให้ดีเมื่อทำดีเนี่ยคนก็จะมองเห็นเองอย่างที่บอกไปแล้วในตอนแรกเริ่มต้นเลยว่ามันคือการสมมุติคนมองเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นสมมุติที่สงหรือภาริยสงสมมุติทุกอย่างมองเขามองแค่อันนี้คือใส่ผ้าเหลืองอเป็นพระเหมือนอย่างในหมู่บ้านเราเนี่ยเมื่อเช้าอาจะมาก็ได้เดินบินตบาทก็ได้เดินบิณตบาตไป ก็นั่งคิดอยูใ่ให้เราวันนี้เขานิมนต์มาเทศจะเทศอะไรดีอ่าลองคิดก็คือช็คเช็คใช้ใช้ปัญญาคิดดูว่าเออจะเทศอะไรดีอ๋อเทศเรื่องนี้ดีกว่าหนึ่งเทนว่าเก็บเทียให้ก่อนเหมือนเหมือนเดินบินทบายนะยยปีใต้อยู่หน้าทางเข้าวัดเลยบอกว่าหมู่ <c oughs> บ้านนี้ปอกยาเสพติดอ่า คนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาขับรถมาจากที่อื่นเขาขับมาก่อนจะเร้ยวเข้าวัดเขาก็เห็นป้ายหมู่บ้านนี้ปลอดยาเสพติดเออดูดีดูดีนะหมู่บ้านนี้ปลอดยาเสพติดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆข้างในมันมีหรือเปล่าอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่คนที่รู้ก็คือคนที่ทำก็คือคนที่เสพไ่เหมือนเราเป็นพระเนี่ยคนเขามาดูเขาบอกโอ้โหพระรุ่มนี้อมจีวรสวย ดูสง่าแต่ข้างในไม่มีใครมาลุกับเราเกิดเราทําชั่วทําเลวก็ไม่มีใครมารู้ร แ, ตรตรรแต่คนที่ทำมันก็จะกินไปตัวเองนั่นเองเหมือนเราเนี่ยมาบวชปุกคนเขามองว่าเอ๊ะเราดูดูดีดูสง่าเป็นพระดีกราบไหว้ใส่บาตรแต่ถ้าเราทําเลวทําชั่วที่ตัวเราเนี่ยมันจะจะกินใจเรานั่นเองเวลาเราเห็นญาติโยมมาใส่บาตรมาเนี่ยถวายปัดใจเยอะแยะเนี่ยแต่จริงๆถ้า ใจเราเลวเราประพฤติเลวเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงมันก็จะกินใจเราไปเรื่อยๆะฉะนั้นเนี่ยอย่งที่บอกในการท่อมาบวชเนี่ยเราก็คือเป็นแค่คนคนธรรมดาแต่เราพร้อมแล้วที่เราจะทำดีทำชั่วเอ๊ยทำดีแล้วเว้นความชั่วแต่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือเรื่องของกรรมก็คือบุพกรรมวิบากกรรมข้อกรรมเนี่ย มันจะชักนำลอยไปอย่างเราจะเห็นว่ามีพระมากมายทุกวันเนี้ที่ทําไม่ดีทาบาปทําสิ่งที่ไม่ควรส่วนใหญ่เนี่ยพระบวชเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะดีกันทุกคนแต่ด้วยเอเวนกรรมเคราะห์กรรมวิบากกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ชักจูงเขาไปในทางที่ไม่ดีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ที่ใจเท่านั้นคือเราจะเอาชนะใจตัวเราเองได้หรือเปล่าในการที่เราเข้ามาบวช ก็คือเราก็ต้องสู้กับตัวเองนั่นเองเอจนกว่าเราจะได้เป็นพระอริยสงฆ์ก็คือพระสุปฏิชนูปฏิบัติดีนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่จะทิ้งท้ายไว้ให้เป็นข้อคิดเพราะว่าเรามานั่งคิดดูแล้วเนี่ยยังมีพระมากมายเนี่ยอย่างพระในพิจิตเนี่ยมีพระมากมายที่ชื่อเสียงโด่งดังอย่างเช่นพระอะไรนะที่นั่งปกล่าสุดที่ว่า เขานั่งปกอยู่เนี่ยพระอะไรหลวงพ่อวันอ่าอาตมามาจากที่อื่นก็ไม่รู้หรอกหลวงพ่อวันอยู่ือกําหนองไหนหน้าตาเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าดังคน ก, ก็จะชื่นชมเหมือนว่าเนี่ยหลวงพ่อวันคือ เ, เกจิชื่อดังปกเสดพระอ่าอย่างพระเนี่ยเพราะว่าเคยสนทนากับพระเหมือนกันก็คือพระในวัดพระเนี่ยแหละสนทนากันว่าเออเนาะพระเกจิเขาก็จะชื่นชมนั่นแหละว่อเขาเป็นเกจิชื่อดัง อก็คือชื่นชมกันไปมันก็อยู่เท่าเดิมทุกนะ่เราเชื่นชมเขาเขาก็ดังของเขาเท่าเดิมแล้วทำไมเราไม่ลองปฏิบัติตัวให้เหมือนเขาล่ะเพราะเขาทำยังไงบ้างเก็ถึงดังได้ขนาดนั้นเราโดยนั่งดูนั่งที่เจารณาเล อ, อเราเห็นเขาเปนพระดีพระดังเราก็ชื่นชมเออเขาดีว่ะเขาดังเออแต่เราคงเป็นแบบเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำํำไง แต่ถ้าเราลองคิดดูใช้สติปัญญาคิดดูว่ า, าแล้วเขาดังมาได้งไงเพราะเขาก็คือคนเหมือนกับเราแต่เขาบวชก่อนเราเขาปฏิบัติ ด, ดีมาก่อนเราถ้าเราอยากดังแบบเขาอยากให้คนมารับสือศรัทธาเราก็ต้องปฏนบบตัวให้เหมือนเขาเพาต้องดูว่าเขาทํายังไงเขาปฏิบัติตัวยังไงเราก็ปฏิบัติตามเขาเพา้อๆถ้าเรามีบุญมีวาสนาในอนาคตเราอจจะเป็นแบบเขาก็ได้ ดีกว่าเราจะมาคิดว่ามันดังแล้วก็ผ่านไปเ่องของเขาเราก็ทำเท่าเดิมของเรามันไม่ใช่เราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีก็นับว่าเป็นอนุสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออ้างเอาคุณพัทีระะัตน์ไปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกจงมาดลบันดานอลอวยพรให้หน้าและท่านเจ้าภาพ และผู้ที่มีจิตใส่ในธรรมทั้งหลายที่ได้มาร่วมอนุโ ม, โมทนาบุญในวันนี้ก็ ข, ขอให้ท่านคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่อยู่ในธรรมก็ ข, ขอให้สมปัจฉานามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ด้วยเธิเอวังก็มีด้วยประการชนนะี้